หญิงสาวผู้เคราะรายนั่นใช่ไหมใช่เอ๊ท่านรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นบิดามานดาของหญิงสาวคนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาในตอนดึกสงัดเทพเจ้าประจำเทวไลาได้มาพบอาตมาเทพเจ้าประจำเทวไลามาพบท่านนะถูกแล้วท่านได้มาพบอาตมาแล้วเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาท่านบอกว่ากาลังถูกปิดามารดาบังคับ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 เป็นการเนรคุณต่อบรรพ บ, บุรุษถ้าหากการเลิกประเพณีบางอย่างเป็นการเนรคุณต่อบรรพ บ, บุรุษมนุษย์ในชมพูเทวีปทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนเนรคุณทั้งนั้นทําไมทังเป็นอย่างนั้นล่ะท่านสมณนะเพราะมีประเพณีและการปฏิบัติเป็นอนเนกที่บรรพ บ, บุรุษของเราเคยปฏิบัติมาในเวลานี้มนุษย์ได้เลิกซะแล้วอะไรที่ท่านว่าเลิก ยังเช่นเมื่อประมาณห้าสิบปีมานี้เองนครต่างๆที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาในฤดูที่น้ำเ อ, อ่ขึ้นเต็มฝั่งจะประกอบพิธีคงคาสายุมพรทุกปีคือในวันเพ็ญเดือนสิบเขาจะเลือกเอาหญิงสาพมาจารีคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของเจ้าแม่คงคามาประดับตกแต่งอย่างสวยงามนําขึ้นสู่คานหามแห่ไปทั่วเมือง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 ไม่มีการปฏิบัติกันอีกต่อไปคนส่วนมากแทนที่จะเสียใจเมื่อมีการเลิกประเพณีอันบนรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาเป็นเวลานับเล่าพันปีกลับยินดีไปด่าซะอีกที่เลิกสะได้และไม่มีใครเห็นว่าเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่อย่างไดนอกจากพิธีคงคาสยุมพรดีแล้วยังมีพิธีอื่นอื่อีกมากมายที่บรรพบุรุษของเราปฏิบัติมา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 เป็นการเสียสละอย่างสูงเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทันทีท่านยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่าบุญได้ดีพอทํายังไงข้าพเจ้าถึงจะเข้าใจละ่ะอาตมา จ, จะอธิบายให้ฟังเชิญทันสมณะนะคําว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความสงบเยือกเย็นเป็นความมีประโยชน์สิ่งใดก็ตามที่ท่านทําแล้วพูดแล้วคิดแล้ว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 ฉันเห็นโดยกับท่านทุกประการที่ฉันสงสารลูกส่งเยาว์วัยไม่อยากให้ตายตามสามีทีงไม่บิดานของเขาเองในส่วนลึกของหัวใจก็สงสารลูกไม่อยากให้ลูกตายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ให้ลูกทํำสตุตีประชาชนคงจะแช่งชักหักกระดูกเราพระนามเราดูถูกเหยียดหยามเรา เราจะรู้สึกอับอายอดอสูจนมองดูน้าขายไม่ได้เราห ว, วั่นเกรงเรื่องนี้มากพูดเจริญกรุณาเนี่ยวิธีปฏิบัติให้เราด้วยว่าจะทำยังไงดีดูก่อนอุบาสิกาธรรมดามนุษย์นั้นย่อมมีการตนิตติดเตียนผู้อื่นเราทำก็ตนมิดเราไม่ทำก็ตนิตในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น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 งั้นก็ทำตามสิทำตามเหรอท่านผ่อนใจทำไมถ้าทำมีหวังถูกชาวบ้านด่าแลดีไม่ดีอาจจะเกิดเกิดอะไร อ, อันตรายไงล่ะท่านกลัวอันตร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 เพราะคำสั่งสอนของท่านนี่แหละจึงได้เกิดแสงสวา่างคือปัญญาขึ้นในใจรู้ถึงทางที่ถูกต้องแล้วขพเจ้าจะไม่บังคับให้ลูของขพเจ้าต้องกระทาพิธีสตุติอันโนทรายทารุ น, นั้นอีกต่อไปความเห็นของท่านชอบแล้วอุบาศอาตมาขออนุมโมทนาขอให้ท่านยึดหลักเหตุผล ละความถูกต้องเป็นธงชัยในการนำทางชีวิตต่อไปไอดิฉันขอกราบท่านผู้แทนูนไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงดีจึงจะเหมาะสมกับอุปการะคุณอันสูงส่งที่ท่านได้ช่วยชีวิตดิฉันไว้ไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกการได้ช่วยสัตว์ผู้ตกยากให้พ้นจากความทุกข์เป็นกุศลกรรมอันสูงส่งก่อให้เกิดความสุขใจแก่อาตมายิ่งกว่าคำขอบคุณใดๆทั้งสิ้น ข้าพเจ้าขอลาก่อนเชิญท่านเจริญพร าทำอยู่ใต้ต้นทองกวางทันใดก็มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณเจ็แปดคนเดินตรงบรทธาทาริรอรมาถึงก้นนั่งลงไม่ได้แสดงความเคารพแต่อย่างใดชายที่จ้องมองหน้าดูเหมือนมีอาวุโสกว่าเพื่อนส่ออาการว่าเป็นหัวหน้าท่านสมณะท่านเขมไมที่มาทำลายประเพณีาการทำสตุติอันเก่าแก่ของเร อาตมาไ่ได้ทําลายประเพณีสตุตีหรือประเพณีอะไรของใครอย่าน้อยเลยนะท่านผูน้ยุตาก็ท่านไม่ใช่หรอกเป็นผู้แนะนำให้ัญญาพี่ชายเขาปรจับพร้อมทั้งบิดามารดาของเธอเลิกทำสตุตีอาตมาไม่ได้แนะนําให้เขาเลิกเพียงแต่แนะนําให้เขาทิ้งความเห็นผิดเสียแล้วให้ความรู้ที่ถูกต้องแทนท่านเห็นว่าการทาสตุตีเนี่ยเป็นการการะทําที่ผิดอย่างนั้นเหรอ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 ประโยชน์ที่จะได้รับมม่ยูอย่างเดียวอะไรเหลออุบาสกการรักษาประเพณีประเพณีอันโหดร้ายทารุก็ถูกของท่านแต่นี่เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์เราถือปฏิบัติสืบสกันมาตั้งแต่บทบุรุษแต่ก็สามารถเลิกได้ท่านรู้ไ้ยว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีอันสูงส่งสหรับสตรีเป็นการเสียสละอย่างสูงจะได้ยุน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 สู่สงบเงียบแห่งราตรีก็เข้าที่ทำสมาธิเจริญอานาปานาสติตั้งสติ้วยที่ลมหายใจหายใจออกออ ก, ก็รู้สึกว่าหายใจออกหายใจเขา้าก็รู้สึกว่าหายใจเขา้าหายใจออกสั้นหรือยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้นยาวหายใจเข้าสั้นยาว ก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นยาวเนื่องจากปล่อยจิตมานานจึงคุมสติได้อย่างยากเย็นขณะที่กำหนดลมหายใจบางครั้งจิตใจก็เลื่อนลอยไปยังอารมณ์ต่างๆโดวไม่รู้ตัวรู้ตัวก็รีบดึงกลับคืนมาปลูกไว้กับลมหายใจต่อไปจิตใจในขณะนั้นเหมือนม้าพยศไม่เคยมีใครมาจับปูกฝึกใช้งาน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 ขนาดที่แน่วแน่แล้วนั้นเอง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 จนปลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มีพยายามดึงจิตไปจากนิมิตนำนไปปลุกไว้กับลมหายใจในที่สุดนิมิตเหล่านั้นก็หายไปนิมิตน่ากลัวเหล่านั้นหายไปแล้วค่อยสบายใจขึ้น แต่ว่าเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วสิคราวนี้ปรกากฏภาพขึ้นนล้างคนยืนสงบนิ่งอยู่คนเดียวค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นทุกทีลีลาวดี กลมหายใจเข้าไปอยู่ในโลกในมิติดับลีลาวดีอย่างสิ้นเชิงเข้ามายืนอยู่เฉพาะหน้าดีลาวดีดูเหมือนเธอจะไม่ใช่ลีลาวดีคนเดิมเธอยังเป็นเด็กเอายุคงแค่สิบห้าปีเท่านั้นแต่ถ้าท่างเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหน้าตารูปร่างของเธอไม่เหมือนเดิมแต่ก็มีอะไรหลายอย่างแสดงให้เห็นชัดว่า เป็นลีลาวดีแน่ๆรู้สุกดีใจทั้งเสียใจเราคนกันดีใจที่ได้พบลีลาวดีอีกแต่เสียใจเมื่อดึกถึงความหลังอันขมขื่นของเราทั้งสองเฉพาะอย่างยิ่งความขมขื่นนั้นเก็จากเรวัตต์ต่างลีลาวดีใช่ไหมใช่ เสียงของเธอช่างพูดซจริงๆนิ้นําซ้ําหน้าตาดูเหมือนกับว่าไม่พอใจด้วยจริงๆนะไม่เห็นเธอยิ้มซ้ำยังขมึนถึงสะอีกด้วยถามจริงๆเถอะนี่ริลามีจริงๆเหรอหรือว่าเป็นเพียงภาพในมิตบอกหลวงพี่ด้วยจริงๆไมภาพนิ้น เวลานี้เธออยู่ที่ไหนเธอเกิดใหม่แล้วหรอเกิดที่ไหนตามด้านหนาลินาวดีหันหลังเดินไปอย่างรวดเร็วรู้สึกเหมือนกัะวัตถูกสะกดด้วยมนไม่มีอำนาจใดๆที่จะบังคับตัวเองได้จสินเดินตามหลังลินาวดีไปโดยอัตโนมัติ ครูใหญ่เวลาวดีก็พามาถึงนครแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นนครที่สวยงามมากตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ํามันกว้างใหญ่ไทศารบริมฝั่งแม่น้ําเรียงรายไปด้วยเจดีสัตว์ปเทวาลายัยและปราศาสตร์ของเศรษฐีขราดีตั้งแต่บนฝั่งไปสิงชายน้ําเลื่อนล่างบันไดหินลดตันลงไปสวยงามดีตามขั้นบันได มีฤาษีโยคีสัญญาสีและนักบวชในละทีต่างๆนั่งสวดบนภาวนาในน้ำใกล้ฝั่งมีคนทุกเพศทุกวัยอาบน้ำสงสนานกายคาข้ำเต็มไปหมดนีลาวดีพาเดินไปตามถนนนั้นสวยงามสองข้างทางเป็นบริเวอาคารบ้านเรือนร้านค้าโรงงานเทวสถานสลับว้สวนดอกไม้เป็นแห่ง จนมาถึงกำแพงสูงแห่งหนึ่งมีประตูใหญ่อยู่ตรงกลางชายคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูดิลาวดีเดินมาชายคนนั้นก็รีบเปิดประตูออกดิลาวดีเดินผ่านเข้าไปเขาก็ะทำความเคารพแต่พอจะเข้าไปบ้างๆเขาฝ่ า, าข้ามาวางหยุดหยุดหเข้าไปไม่ได้ไดทำไมเข้าไปไม่ได้ที่นี่เป็นสถานหาัวห้า แต่ข้าพเจ้ามากับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเข้าไปได้ข้าพเจ้าก็ควรจะเข้าไปได้嘛ท่านอย่ามาอ้าวผู้หญิงคนนั้นมีสิทธิเข้าไปได้แต่ท่านไม่มีสิทธิอนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าไปเถิดไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็เข้าไปไม่ได้เดีย๋ยมาอ้อนวอนท่ญญญานอีกไปไปไปออกไปที่เรากดาีเดินไปตามถนนเล็กๆตรงไปยังปราสาทหลังใหญ่เธอหันมายิ้มให้แว๊กหนึง่งและเข้าประตูหายไป อันใดสิ่งต่ตางๆก็หายวับไม่มีประสาทไม่มีคนพ่อประตูสติได้กลับมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอีกครั้งไม่มีนิมิตใดๆเหลืออยู่เลยเสียตายอย่างยิ่งผ้าปีลาวดีหายไปอย่างเลึกลับ พยายามน้อมนึกให้เกิดนิมิตลีลาวดีอีกแต่ไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นเมื่อทำให้นิมิตเกิดขึ้นไม่ได้ก็พยายามกลับมาสูลมหายใจทำจิตใจให้สงบยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จอีกเห็นเช่เป็นเพราะว่าทันมารมเกี่ยวกับนิมิตของนีลาวดีได้พพุ่งพลานขึ้นมาทำลายสมาธิซะแล้ว ในที่สุดก็เลยตัดสินใจออกจากสมาธิทั้งที่จะออกจากสมาธิแล้วดิมิต ท, ที่เห็นเกี่ยวกับลีลาวดียังติดตาติดใจอยู่อย่างทัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาพนครถนนผ้า น, าน้ำอาคารบ้านเรือนและแม้แต่ใบหน้าของลีลาวดีเป็นนิมิต ท, ที่แปลกประหลาดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนก่อน นิมิต ด, ดีลาวดีเป็นดีลาวดีแห่งนครสาวัตถีเป็นรูปร่างของเด็กสาวบ้างหญิงสาวเต็มตัวบ้าง น, นางภิกษุณีบ้างแต่ออกเสียงดิงวอนครู่หนึ่งก็หายไปไม่มีเหตุการณ์สถานที่ประกอบแต่นิมิตข่าวนี้เป็นดิลาวดีอีกคนหนึ่งมีเหตุการณ์สถานที่ประกอบอย่างชัดเจนคล้ายของจริงมากกว่าความฝัน มันหมายความว่ายังไงเป็นไปได้ไหมว่าภาพลิมิตนั้นเป็นแสงสะท้อนความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เข้ามาปรากฏให้เห็นในดวงจิตละเอียดอ่อนพอจะรับภาพนั้นได้ในขณะที่เป็นสมาธิถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่านครนั้นมีจริงปราสาทนั้นดีจริงดัะในาวดีคงได้เกิดมาเป็นหญิงสาวนั้นจริง พอตั้งแต่เธอตายจนถึงขณะ น, นี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว ภาษาธาตั้งมั่นแล้วในภารัธนาไกรตัางอะไรเสียดายออกปากอารัธนาวิงวอนให้อยู่โตรต่อไปแต่ไม่สามารถรับคำอารัธนาเขาได้เพราะชีวิตคือการเดินทางจนกว่าวราระสุดท้ายแห่งชีวิต ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านเป็นคุณคามประมาณกึ่งโยศเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าช้าตอนเช้าเข้าไปบินถบาตในหมู่บ้านแต่อาหารพอประทังชีพก็กลับมฉันป่าช้าที่อยู่เต็มไปด้วธิ์ใบร่มเย็นแต่เป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านทั่วไปถ้าไม่มีธุระจาเป็นจะไม่มีใครเดินผ่านมาเป็นขาด ความกลัวทั้งหลายย่อมเกิดจากความรักความยึดถือและยอดแทงความรักความยึดถือของมนุษย์ก็คือชีวิตของตนเองถ้าปล่อยวางความรักความยึดถือในชีวิตได้ความกลัวก็ไม่มีและในวันที่สองหลังจากเข้ามาอยู่ในป่าชาไม้สีเสีย<ๆ>ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาหน้าตาหม่นหมองแสดงว่ากาลังทุกข์หนัก ท่านสมณะโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยมีเรื่องอะไรอุบาสกข้าพเจ้าช่วยปลาละกะเกิดในตระกูลพราหมณ์มีหนูบ้านมาแล้วว่าขาม้เองแล้วยังไงละ่ะข้าพเจ้ามีบิดามารดายาก